หนึร่วมเรื่องที่มีในประวัณาคันตกะประวัณาคันตกะมี46เรื่องคือเรื่องภิกษุหลายรูปเข้าจำพรรษาในแคว้นโกศลมาเฝ้าพระศัสดาเรื่องเข้าพรรษาไม่ผาสุกดังประสุทธิ์อยู่ร่วมกันเรื่องทรงอนุญาตพิธีประวัณาเพื่อว่ากล่าวซึ่งกันและกันเรื่องพระชักรพีนั่งราบบนสนะประวัณาเรื่องวันประวัณามีสองวัน เรื่องอาการที่ทำปวรณามีสี่อย่างเรื่องภิกษุเป็นไข่มอบปวรณาเรื่องภิกษุถูกพวกญาติจับไว้เรื่องภิกษุถูกพระราชาพวกโจรพวกนักเลงพวกภิกษุอื่นผู้เป็นฆาศึกจับไว้เรื่องภิกษุห้ารูปปวรณาเป็นการสงเรื่องภิกษุสี่รูปปวรณาเป็นการคณะเรื่องภิกษุสรูปปวรณาเป็นการคณะเรื่องภิกษุสองรูปปวรณาต่อกัน <mister isation> เรื่องพิกษุรูปเดียวธ ah รรมทีฐานปวารณาเรื่องพิกษุต้องอาบัตในวันปวารณาเรื่องพิสษุรไม่แน่ใจในอาบัตเรื่องพิกษุระลึกอาบัตได้เรื่องสงฆ์ทั้งหมดต้องสภาคาบัตเรื่องสงฆ์ทั้งหมดไม่แน่ใจในสภาคาบัตเรื่องพิกษุที่อยู่ในอาวาสพวกอื่นมามากกว่ามาเท่ากันมาน้อยกว่าเรื่องวันปวารณาของภิกษุที่อยู่ในอาวาสเป็น14คั่มเรื่องลักษณะของพิกษุที่อยู่ในอาวาส เรื่องภิกษุสองสังวาดปวารณาเรื่องไม่ควรไปไหนในวันปวารณาเรื่องไม่พึงปวารณาในบริษัทที่มีภิกษุณีนั่งอยู่ด้วยเรื่องให้ชันทะเรื่องห้ามปวารณาในวันไม่ใช่วันปวารณาเรื่องชาวป่าเรื่องปวารณาเมื่อราตรีจวนสว่างเรื่องปวารณาขณะที่ฝนตั้งเขาเรื่องปวารณาเมื่อมีอันตรายสิบอย่างเรื่องพระชะพคีมีอาบัตติดตัวปวารณา เรื่องไม่ยอมให้โอกาสเรื่องพระชาปนกีงดปวารณาของภิกษุผู้บริสุทธิ์เรื่องปวารณาที่ไม่เป็นอันงดเรื่องเหตุผลในการงดปวารณาคือวงเล็บหนึ่งงดปวารณาเพราะเหตุไรวงเล็บสองงดปวารณาเพราะเรื่องอะไรวงเล็บ3งดปวารณาด้วยได้เห็นด้วยได้ยินหรือด้วยสงสัยเรื่องต้องอาบัติทุลใจเป็นต้นเรื่องวัตถุและบุคคลปรากฏ เรื่องการก่อความบาดหมางเรื่องการสงข้อกันด้วยปรวรนาเรื่องไม่มีใครเป็นใหญ่ในปรวรนาปรวารนาคันธากาจจบ